ฟังกำลังฟังรายการสันสนิษฐานตำนานดัมเบลรายการโดยสันสนิษฐานนาคพงค่ะผ่านไปนะคะกับการนําปฏิบัติธรรมและอ่านพระสูตรให้ฟังจากพระมาชาคาวโรและกําลังจะผ่านมาก็คือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระพบูบุอ์อภิปุโนวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีค่ะนำ้ำมาสการกันท่าคะเจริญพรค่ะ น, น้ะนำมาส ก, การกันท่านคะคือสําหรับคําถามเนี่ยควจริงมีคําถามที่ ถามไปทางวัดป่าดอนไฮโซน่าสนใจอยู่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำเอาคำถามนี้มากราบเรียนถามท่านก่อนก็ละกันนะคะได้ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะจากคุณยานิสาได้กราบธรรส ก, การ์ไปที่หลวงพ่อในที่นี้น่าจะหมายถึงหลวงพ่อดออรสะอาดไหมคะใช่ใช่ส่งมาที่เว็บไซต์ของห ล, งหลวงพ่อหลัดค อ, อ com ค่ะแล้วก็บอกว่าเพื่อนร่วมงานของคุณยานิสาเนี่ยนะค ะ, ะเป็นผู้หญิง แล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันอบอกว่าแฟนเขาเนี่ยมีนิสัยปอกลอกและคบหลายคนในเวลาเดียวกันอืแล้วเธอก็วงเล็บมาว่าเห็นหนอแล้วค่ะต่อท่าแท้ใช่ไหมเพื่อนร่วมงานของเราจากเดิมที่เงินพอใช้มไม่เคยมีปัญหาการเงินตอนนี้เริ่มมีแล้วและมั่นใจงานเท่าที่ควรในฐานะหัวหน้างานคุณยานิสาเขาเป็นหัวหน้างา น, นะะอ๋อ ควรทำอย่างไดดีคะอืมเอ่อถ้าเป็นหัวหน้า ง, งานถ้าเป็นเพื่อนก็จะต้องทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะถ้าเป็นหัวหน้า ง, งานนะหัวหน้า ง, งานคือเราเป็นหัวหน้าเขานะรเราจะต้องปฏิบัติต่อเขาเนี่ยโดยการที่ให้ทำงานตามกำลังนะให้ทางานตามกำลังอันนี้ข้อที่1นะข้อที่สองให้อาหารแรละรางวัลนะข้อที่สด้วยการรักษาพยาบาลยามเจ็บไขนะ้ข้อที่4ี่ด้วยการแบ่งของมีรถประหลาดให้ ข้อที่หาด้วยการปล่อยอิสระตามสมัยทีนี้เรา ม, มาดูทีละข้อคุณยมติวันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสมมติพนักงานของเราเนี่ยพนักงานแต่ละคนลูกน้องนะลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมันไม่เที่ยงทุกคนะคือหมายว่าไม่เที่ยงเนี่ยมายควาว่าจิตใจเขาอาจจะมีความแปรปรวนอะไรต่างๆไปได้ถ้าเมื่อไหร่มีสักวันใดวันหนึ่งที่จิตของเขาไม่สามารถที่จะทํางานนี้ได้ต่อไป แสดงว่าถ้าแล้วเรายังพยายามให้เขาทํางานต่อไปเนี่ยงานจะเสียคุณจะต้องรู้จักให้เขาทํางานตามกําลังหมายความว่าอะไรหมายว่าคุณไม่สามารถรับงานใหญ่นี้ได้แล้วคุณไปทํางานเล็กค่ะหรือว่าถ้าคุณทํางานเล็กๆอยู่คุณสามารถรับงานใหญ่คุณนี้ได้คุณต้องเลื่อนให้เขาไปทํางานใหญ่ถ้าคุณยังรับงานใหญ่คุณนี้คุณเลื่อนให้เขาไปทํางานใหญ่อีกเพราะฉะนั้นเราก็ดูตามความสามารถซึ่งความสามารถของเขาลดถอยลงเพราะจิตเขาไม่มีกําลังที่จิตเขาไม่มีกําลังเพราะเขาไปคบเพื่อนชั่ว เ<ไ>ป ค, คบนักเลงเจ้าชู้ทําให้จิตเขาไม่มีกําลังประมาทไปแล้วประมาทไปแล้วจิตไม่มีกําลังทํางานตกทํางานตกทาตกํทาไงเราเป็นหัวหน้าเราต้องให้เขาทํางานตามกําลังที่เขาตกลงค่ะ่ะะอแค่นี้เองก็คือลดตําแหน่งว่างันเถอะ <c oughs> <c oughs> โคตรแร้เลย <c oughs> เออก็ก็กพูทธวจนะ <c oughs> ให้ทําทงานตามกําลังออคือดิฉันเข้าใจนะคะว่าท่านกำลังจะยกเอา พุ้ทวจนะมาตอบตามคอนเซปต์ของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะว่าจะตอบคําถามด้วยการนําเอาคําสอนของพระศาสดาค่ะค่ะทีนี้ก็จะจะทบทวนให้กับท่านวันข้งหลังที่เป็นหัวหน้างานว่าเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะว่าพระพุทธองค์เนี่ยบอกว่าให้ทํางานตามกําลังอืให้ให้อาหารและรางวัลนะคะใช่ด้วยการให้อาหารและรางวัลเป็นอย่างที่สองค่ะแล้วก็พยาบาลยามเจ็บไข้ใช่อย่างที่สาม ค่ะช่วยเหลือดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยข้อที่สี่ะค่ะท่านคะ้อที่สีคือแบ่งของมีรถประหลาดให้อร่อยอร่อยนะคะมีรถประหลาดให้และข้อที่หสุดท้ายคือให้ปล่อยให้อิสระตามสมัยมีวันหยุดวันอะไรให้บ้างอืออค่ะนะคะอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นผู้ทวจนะเป็นหลักการสําหรับในการที่เราจะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอืค่ะตามยุคสมัยอาตมาก็เลยบอกว่างั้นต้องเลื่อนเขาขึ้นลงตามความสามารถที่เขามี <departed> <lif ş> <it> แคนั่นเองนะคะก็คืออนนั้กรรมของเขาอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือคืออันนี้เราเป็นหัวหน้างานใช่ไหมเราเป็นหัวหน้านะแต่ถ้าคุณเป็นเพื่อนกันนะคุณเป็นเพื่อนกันนะค่ะความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะมากกว่านั้นไงความเป็นเพื่อนเนี่ยสมมติเรามีเพื่อนที่เราประมาทเพื่อนเราประมาทเพื่อนแม่งไปคบเพื่อนชั่วเราจะต้องคอยรักษาเขาจากผู้ประมาทอันนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระดับเพื่อนกับเพื่อนใช่ใช่อยู่ในเรื่องที่โถกด้วยไหมคะ อยู่ในเรื่องที่ต้งหถูกต้องค่ะอยู่ในที่ั้งหเนี่ยหนึ่งในหน้าที่ของเพื่อนใช่ไหมคือคุ้มครองเพื่อนที่ประมาทแล้วคุ้มครองเพื่อนที่ประมาทแล้วก็รักษารักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทอย่างคนเนี้ยถ้าเราเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมเขาตายแล้วเขาหลงผิดไปอย่างนี้เราต้องเตือนเขาแตเราต้องเตือนเขาในกรณีนี้คือต้องเตือนไม่ให้เขาไปคบเพื่อนชั่วค่ะนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ ถ้าทําได้ก็รักษามิตรของเข า, เารักษาทรัพย์ของเขาตอนที่เขาประมาทอยู่เช่นเก็บเงินของเขาไว้ให้ไม่เต็มแต่ฉันจะเก็บไว้ให้อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเราเป็นเพื่อนกันค่ะเพราะว่าคุณยานิสาในเขียนมาในนี้ก็บอกว่าเพื่อนร่วมงานใช่กับตอนท้ายบอกว่าในฐานะหัวหน้างานคือมี<ฆ>ความสัมพันธ์สองระดับอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นท่านก็เลยให้พุทธวัจนะสองชุดใช่นะครับก็ แ, <ล>แต่อยู่ในที่ถกทั้งหมดใช่แล้วถ้าบอกว่าเราเราคอยห้ามเขาเสียจากบาป ให้เขาตั้งอยู่ในความดีเราจะเป็นมิตรผู้มีอุปการะนะเหมือนเหมือนพ่อแม่เหมือนพ่อแม่มีอุปการะกับเราใช่ไหมหน้าที่ของพ่อแม่มีสองอย่างามีห ก, ม, หกมีห้าอย่างสองใน6ในห้าอย่างนั้นคือความที่ให้ตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปถ้าเราทำสองหน้าที่นี้นะเราจะเป็นมิตรผู้มีอุปการะมากค่ะคือเหมือนกับว่าในส่วนคําตอบของคุณยานิสาเนี่ยได้ไปละแต่กลับได้หลักที่ใหญ่กว่า เือคุณยานิสาในฐานะหัวหน้างานหรือท่านผู้ฟังอื่นๆในฐานะหัวหน้างานจะเอาไปใช้ก็ได้หลักไปแล้วหรือว่าในส่วนของคนที่มีความสมพันญระวังเพื่อนจะไปตักเตือนเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้นี้ดูเหมือนกับว่าท่านยังพูดไม่ครบทุกข้อค่ะท่านอบอ ก, อกว่าพระพุทองได้ตรัสว่าให้คุ้มครองเพื่อนที่ประมาทแล้วหนึ่งข้ อ, อรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทข้อที่สองข้อที่สามก็คือเป็นที่พึ่งเมื่อมีภยัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยอย่างเวลาน้ําท่วมใช่ไหมเอามาย้ายมาบ้านฉันนะบ้านฉันไม่ท่วม มาเลยมาอุดอรอุดรเป็นศูนย์พักพิงสำหรับน้ำท่วม <c oughs> ค, <c oughs> คนก็เริ่มทอยอยกลับแล้วล่ะอ๋อค่<น>ะกลับกันหมดแล้ยังไงยางยางยังเหลืออยู่บ้างส่วนข้อที่4นะไม่ทอดทิ้งยามีอันตรายรรไม่ทอดทิ้งยามีอันตรายส่วนข้อที่5ก็คือนับถือสมาชิกในวงของมิตรคือคือมิตรเนี่ยมีทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเราทำอย่างนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายนู้นนะเขาก็ควรจะ ตอบสนองเราด้วยการที่เป็นมีการให้ปันแบ่งปั น, นซื้อของมาให้กันและกันบ้างแล้วก็พูดจาไพเราะแล้ว <c oughs> ไม่กล่าวคำที่เป็นเครื่องให้แตกกัน <c oughs> ใค ร, ใครที่ ส, สงสัยว่าทำไมเรารักษาเพื่อนไว้ไม่ได้ก็ลองดูซิว่าเรายัางทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามธรรมที่พระาศราสดาต ร, ร, ร, รัสสอนไว้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะ เพื่อนบางคนนะคุณโยมติว๋วแล้วก็เราไปขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะดันอนุเคราะห์เราด้วยของหาประโยชน์ไม่ได้หนึ่ง ห, หนึ่งออกไหมอ่าอย่างเช่นว่าบ้านเราน้ําท่วมเขาเอาถุงพลาสติกมาให้เราต้องการถุงทรายแต่ได้ถุงพลาสติกอย่างเงี้ยมันมันอาจจะหาประโยชน์ไม่ได้แต่อาจจะอาจจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคือเป็นมิตรที่หาประโยชน์ไม่ได้หลวงพ่อจะเคยพูดถึงมิตรสี่หลายๆแบบอยู่เหมือนกันค่ะอย่างนั้นก็ตามในคําถามของคุณ คุณยานิสาเจ้าของคำถามเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณมีความสัมพันธ์กับเขาระดับไหนเป็นเพื่อนหรือเป็นเจ้านายอ่าล้วก็คงต้องพิจารณาดูค่ะนะคะเพื่อนกับเพื่อนให้คุ้มครองเพื่อนที่ประมาทแล้วรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทเป็นที่พึ่งเมื่อมีภัยไม่ทอดทิ้งในยานที่มีอันตรายนับถือสมาชิกในวงของมิตรใช่ ท ำ, ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะคุ้มครองตัวเองนะเราเรียกว่าเราคุ้มครองตัวเองนะคนนั้นเนี่ยคนที่เขาไปมีมีกิ๊กหรือมีอะไรเนี่ยนะเขาจะไม่มาเป็นภัยกับเราเนะืเพราะว่าเราทําหน้าที่ของเราแล้วค่ะมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่นมันก็เลยมีหลายลักษณะนะคะในสิ่งที่เราจะมีปฏิกิริยากับคนรอบข้างเราบางคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่า อยากฟื้นฟูช่วยเหลืออืสําหรับคนที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนแต่ในบางกรณีเนี่ยเดชเชื่อคิดว่าคนส่วนใหญ่เป็นนะคะแม้แต่กระทั่งตัวเราก็คือเราก็าชอบมองความไม่เท่าท่าของคนอื่นคนะท่านคือคือเรามีความรู้สึกออมองทําไมไอ้นี่มันทําอย่างนี้นะทําไมไอ้นั่นมาทําอย่างนั้นบ า, <c oughs> บางทีบางครั้งเผลอไปเลวไ <c oughs> ม่ในใจนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าเป็เลวออกเสียงดังแต่แต่ว่าเป็นกับทุกคนไหมล่ะ ดิฉันว่าคนทั่วๆไปเขาเป็นกันนะคะหมายถว่าเขาเป็นเขาเป็นกับทุกคนไหมอ๋อคงไม่เลยค่ะคนไม่ทุกคนถูกไหมอ่าถ้าถ้าเขาเป็นกับทุกคนหรือเป็นกับคนส่วนใหญ่เขาเป็นคนเพ่งโทษเป็นคนเพ่งโทษคือคนเพ่งโทษเนี่ยมันมันหาเพ่งโทษคนอื่นได้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามอ๋อแต่ถ้านานๆเป็นครั้งกับบางคนเนี่ยีไม่ถือว่าเป็นอันนี้อาจจะเป็นกรรมก็ได้จะเป็นการที่เขามีฝาดสาไม่ดีต่อกัน แต่ว่าจริงๆแล้วเหตุผลนี้ไม่ควรจะต้องมีเกิดขึ้นถ้าเราควบคุมจิตของเราได้อย่างร้อเปอร์เซ็นะเราจ ะ, ะไม่มีความคิดนี้เกิดขึ้นในจิต อ, อาจจะน่าเบื่อสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าอะไรก็น้ําท่วมอะไรก็น้ําท่วมแต่เนื่องจากว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่ได้รับผลกระทบมากมายเนี่ยน็หนไม่ได้ที่จะต้องยกตัวอย่างของคําถามมาถามท่านอีกนิดหนึ่งนะคะว่ากรณีอย่างผู้ที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมเนี่ย เราก็จะเห็นบรรยากาศของความไม่พอใจความเครียดความอะไรของเขาเยอะหรื อ, อมแม้แต่ไม่เห็นเขาไม่เคยบ่นโดยตรงคือคนนี้ไม่เคยบ่นโดยตรงแต่เราก็พอจะอนุมานได้ว่าเขาน่าจะรู้สึกไม่ดีหรอกถ้าบ้านเขาในน้ําท่วมเสียหายมากอืมในขณะที่บ้านเราอาจจะมาเยี่ยมหน้าบ้านไม่เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าไอ้คาที่จะให้กําลังใจ ก, กันให้กําลังใจนะหรือจะปลอบใจบางทีปลอบไม่ถูกเหมือในกันนะท่านทีนี้ <laughs> มีประสบการณ์ตรงนะคะก uh ็ huh. มีเพื่อนอยู่คนที่เป็นผู้ใหญ่มากน้ำก็ลดลงแล้วที่บ้านคนอื่นแต่บ้านเขาเนี่ยยังท่วมอยู่มาก oh. เดินทางด้วยกันอยู่ด้วยกันสองสามวัน<笑><笑>เขาเดี๋ยวๆก็จะพูดมาละคือพูดถึงอารมณ์ที่ยังเสียมากเลยกับบ้านที่ทำไมต้องเป็นแบบนี้อ uh huh. นะคะ uh huh. เ, เราก็ไม่รู้จะพูดยังไง uh huh. เราก็ได้แต่บอกว่าเอ๊ะความจริงเราอยากจะบอกนะว่า มันเป็นภาระที่เราจะต้องต้องดูแลมันจริงๆเพราะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วแต่การที่เรางุดยิดอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เป็นช่วงของการที่เราควรจะมีความสุขบางทีเดินทางไปไหว้พระไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะอื ม, มันเป็นการทับถมความทุกข์สองเทาง่าใช่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าพอพูดหนักๆเข้าเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยไม่บ่นดีกว่าเดี๋ยวเทศให้เขาฟังอืมอันนี้เราเรามาวิเคราะห์สถาน ก, การณ์กันว่าเกิดเพราะอะไร <Huh? S 1> ง่ายๆเลยเพราะว่าเขามีความยึดติดยึดถือในความเป็นของตนในบ้านนะบ้านคนอื่นเนี่ยที่ท่วมกว่าเขาก็มีแต่เขาไม่ทุกข์หรือบ้านคนอื่นที่ท่วมกว่าเขาตอนที่เขายังไม่ท่วมเขาไม่เห็นทุกข์แต่พอมาบ้านตัวเองท่วมท่วมไม่มากไม่ทุกข์เท่าไหร่พอท่วมมากยิ่งนานยิ่งทุกข์หนักหนะักก็เลยมีความคือมีวาจาที่เป็นลักษณะนั้นออกมาบ่นออกมาอย่างนี้นะ เพราะว่าความยึดถือในบ้านของเขาทีนี้ว่าที่โดน2เด้งโดน2ดอกเนี่ยเพราะว่าพอเราไม่สามารถคลายความทุกข์ตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยคนคนนี้เขาก็จะไปหาความสุขคือคนทั่วไปเนี่ยจะไปหาความสุขที่เกิดจากกรา ม, มาสุขคือสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวเที่ยวไปจะได้ไปลืมนะว่าบ้านไม่ท่วมหรอกแต่พอไปเที่ยวก็บน่นอีกพอไปเที่ยวแล้วไม่เจอสิ่งที่ได้ไม่ได้ไม่พอใจโดนดอกที่สอง มันโดนทั้งขึ้นทั้งร่องวางกันเถอะเพราะฉนันสู้กลับบ้านไปประจนน้ำท่วมอาจจะดีกว่าค่ะคือไอ้หลักการเนี้ยค่ะดังน้ก็ไม่ทราบว่ามีผู้ทวจะนะอะไรที่จะมาเป็นการยืนยันไหมเพราะว่าในส่วนลำพังของตัวเองเวลาพูดไปก็มีความรู้สึ ก, กแหมมันยังไม่เจ๋งพอนะคือเหมือนกับว่าเหมือนกับเราเนี่ยพยายามที่จะปลอบใจเขานะคะแต่ละมีความรู้สึกว่า ถ้าจะให้เขาเชื่อเพราะเราเชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์มันทุกมันก็ทุกอยู่ตรงหน้าแล้วอืมใช่แล้วก็มันก็ต้องรอให้ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมมันถึงจะสามารถคลี่คลายไปได้แต่ว่าวิธีคิดจ้ะคะ่ะมีไหมคะที่เป็นพุ้ทวจนะที่จะไปทำให้เขาจำน้นว่าเออก็ไปคิดแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์คิดที่มันไม่เศร้าหมองอะไรอย่างี้ค่ะคือว่าเขาจะคิดได้หรือไม่จริงๆแล้วธรรมะ จุดไหนจุดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เขาคิดได้ก็มีนะอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นความไม่เที่ยงอาจจะแค่ว่าเรื่องของความปล่อยวางอาจจะเป็นเรื่องของการของหนักอาจจะให้เขาคิดตรงนี้ได้แต่เขาจะคิดได้หรือไม่หรือว่าจุดไหนจะช่วยเขาได้เนี่ยอยู่ที่อินทรีย์บารมีของเขานะว่าเขาสั่งสมอินทรีย์บารมีมาเท่าไหร่อย่างองค์คุลิมานคิดดูคนยมติวน้าหนาตอนที่ไปเที่ยวข่าคน999คนนะแต่เพราะว่าความที่มีอิ ie, นทรีย์บารมีนักบุญเจ้า คำเดียวเลยเราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังพางเลยโอ้ใช่เรายัางไม่หยุดอย่างงี้นะก็เลยปล่อยวางได้หมดอ๋อคือเหมือนกับว่าขึ้นกับต้นทุนด้วยใช่ยินดีเป <Inc. S 2> ็นสีนบา ร, รมีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนที่รรมีเราดูง่ายๆนะคนที่พอจะมีินสีบา ร, รมีเช่นมีโพคาซั์มีอุปกรณ์แ่งรับมากม้ยมีผิวพรรณดีไหมอันนี้แสดงว่าเขาเป็นผู้มีบุญมาระดับหนึ่งละ แล้วก็ดูในช่วงชีวิตที่ผ่านม า, าเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมไหมถ้าเขาเป็นคนพอมีศีลมีธรรมแสดงว่าเขาก็พอมมีอินทรียมรรมีละนีพ่พอดูได้คร่าวๆนะลักษณะนี้ซึ่งคนแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะจะคลายทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะโปรดไม่ได้แต่ต้องใช้เวลาบ้างอาจจะยังไม่เจอครูบาอาจารย์อาจจะยังไม่เจอพุทธวจนะที่อาจจะทําให้เขาปล่อยวางได้นะก็ค่อยๆสอนไปเราต่างหาต้องอดทน ความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยซะปล่อยวางถ้าเราจะบอกก็ได้ให้บอกเขาอย่างนี้นะค่ะคือก็ก็เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะคะที่ท่าเข้าใจว่าถ้านั่งอยู่คนเดียวลำพังเองอาจจะคิดได้มากกว่าที่เราพยายามบอกแต่ น, นี่เหมือนก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าถ้ามันรบกวนได้วันหนึ่งละหลายหลายครั้งแบบนี้ <laughs> มันตามมาท่วม ถึงที่ต่างจังหวัดเลยนั่นเองแล้วการที่อย่างคุณโยมติ๋วบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นการหลีกเร้นแต่เป็นการหลีกเร้นอาจจะมีการคิดวิเคราะห์พิจารณาอะไรได้ลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นไปได้แต่ที่ว่าจะมาเที่ยวหาผู้คนเป็นการหาความสุขทางกายจะได้ลืมใช่ไหมผิดละเราสู้เราเป็นหลีกเร้นให้จิตสงบจะได้ปล่อยวางได้น่าจะดีกว่าค่ะสรุปแล้วสําคัญที่ ถ้ามีความรู้ในการที่จะจัดการกับตัวเราเองอใช่ไหมคะเราก็จะจัดการได้ใช่ความรู้ตรงนีนะ้จะต้องเกิดมาจากจิตที่มีกําลังในการที่จะเห็นความรู้จริงนี้ได้ค่ะค่ะก็เท่ากับว่านอกเหนือจากที่เราจะเรียนรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนแล้วขอให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์รอบตัวโดยเฉพาะในยามที่มีความทุกข์ทำจะปรากฏนะคะและทำเดียว ทำนั้นมักจะเป็นธรรเดียวกับที่พระศาสดาสอนด้วยนะคะใช่ถูกต้องธรรมะะเดียวในมรดการขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสำหรับรายการของเราสรัสนิสนทนาวันนี้ก็ค่อนข้างจะฟรีสไตล์อยู่สักนิดหนึ่งแล้วก็คงจะต้องลากันไปแบบสั้นๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ